ปัญญาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและเพื่อนบิณษ์สม น, นีวันนี้ก็ยังเป็นวันที่22สองกรกฎาคมสอง7ัน้ารยิเจงแม้ว่าการป่วยไข้มาสมบายจะยังมากก็ข อ, อนอนพูดพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไว้เป็นการรักษาอารมณ์วนหนึ่ง กลงความว่าในตอนนี้ผมก็ยังไม่หมดบ้าผมก็ยังบ้าต่อไปตอนนั้นก็มาพูดกับเรื่องน้ํามันที่เทวดาท่านบอกเมื่อเทวดาท่านบอกท่านก็ยืนยันว่าโลกธาตุไทยใช้น้ามันอย่างนี้เฉพาะปีพศสองพันห้ารอยสิบแปดทั้งโลกใช้น้ํามันวันณะเท่าไหร่ น้ำมันก้นไประเทศไทยใต้จอะลึกถึงที่สุดถึงทะเลเขาน้ำมันก็จะใช้ไปสี่พันปียังไม่หมดน้ำมันและก็น้ำมันจะหมดไปไม่ถึงยี่ิบห้าเปอร์เซนแต่ท่านก็นบอกต่อไปว่าถ้าหากว่าดึงขึ้นมาหมดประเทศไทยจะยุบเป็นทะเลไปเลยดีมาก ตอนนั้นจะเป็นเมื่อไรก็ช่างผมไม่เอาแล้วเขาก็อยู่ไม่ถึงผม ก, ก็สบายใจเมื่อหลังจากคุยกับท่านแล้วนิสัยของผมไม่นิสัยแบบหนึ่งท่านพูดให้เหุ้ได้ฟังท่านชี้ให้เห็นแต่ว่าผมฟังคนเดียวผมเห็นคนเดียวอันนี้ผมไม่นิสัยอย่างหนึ่ว่าต้องหาเหตุให้ได้ในปัจจุบัน ก็ถามได้ว่าเรื่องน้ำมันที่ท่านบอกมาก็จริงท่านทำภาพเหงก็จริงก็เชื่อแต่อยากจะทราบว่าในปัจจุบันเนี่ยมันมีปรากฏอะไรบ้างบนผิวโลกที่จะให้รู้ว่าน้ำมันมีจริงๆถ้าถามว่าวันพรุ่งนี้ท่านจะไปชุมพรใช่ไหมท่านถามผมนะคาว่าท่านหมายถึงผมถามว่าวันพรุ่งนี้จะไปจังหวัดชุมพรใช่ไหมก็บอกว่าใช่ ท่านบอกว่าถึงจังหวัดจุลพรณวันที่สามของวันอยู่ที่นั่นจะมีคนยืนยันว่ามีน้ามันอยู่จริงที่มริดในเขตที่กรีนสระยึดครองอยู่ผมก็รับคำท่านหลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็นั่งเป็นเพื่อนก็มีกลุ่มผู้หญิงสมัยโบราณผู้หญิงสมัยนี้ถ้าจะเป็นคนสมัยไหนผมไม่ทราบ ท่านรู้เรื่องราวต่างๆว่าคนไทยส่วนใหญ่กลับเข้ามาสู่ในดินแดนเดิมทั้งภาคใต้ก่อนพุทธกาลเท่าไหรทั้งภาคเหนือก่อนพุทธกาลเท่าไรมันระยะก่อนพุทธกาลสองพันปีเศษกับสามพันปีเศษนี่หมายความว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่กลับถิ่นแดนถินฐานเดิมไม่ก็ผมก็ไม่ได้ถามเธอ ไม่ถามเธอว่าคนไทยที่ไปอยู่ไกลแสนไกลไปจากที่นี่หรือถ้าไปมันก็ตายไปหลายชั่วคนแต่ว่าเธอบอกว่าจะกลับเข้ามาสู่ถินฐานเดิมถ้ามันมีที่มันมีความบันโดมสมบูรณ์ก่อนพุทธกาลสามพันปีเสร็จบ้างหรือก่อนพุทธกาลสองพันห้ารอปีเสร็จบ้างแต่ว่าคนไทยกลับเข้ามาเวลานั้นก็อยู่เป็นย่อมยอมไม่รวมตัวกัน ก็รวมกว่าการคุยกันคืนนั้นก็มีเสียงทั้งผู้ชายและผู้หญิงเดิมที่เดียวมีเสียงผู้ชายกขบผู้ชายคือผมกับเทวดาต่อมาระยะที่สองก็มีเสียงผู้หญิงกขบผู้ชายคือผมกับพนังฟ้าคุยไปคผงเข้าใจว่าเสียงผมไม่ดังแต่ว่าตอนเช้าตื่นออกไปท่านจ้ากรมเสริมท่าก็ บ, บอกท่านคิดว่าพันจ่าคนที่รักษา รักษาพื้นที่สถานที่อยู่ไปตอนเย็นเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายกันเธอบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นพี่สาวของเธอ <c oughs> แต่ตอนเมื่อเห็นการคุยกันคุยจันเมื่อคืนนั้นมันจะใกล้สว่างนะครับคือตั้งแต่ห้าท่มเสร็จไปเขาใกล้สว่างเขาใกล้สว่างทั้งหมดทั้งเวลากลับ เป็นนว่าคืนนั้นทั้งคืนผมก็ไม่ได้นอนหลับถา้าการที่ไม่ได้นอนหลับการคุยเทวดาเนี่ยไม่เปลี่ยนถ้าจะกลมเสริมนึกก็บ่นคิดว่าโลสิตของใต้ก็ไอ้เจ้านีวันนีาผู้หญิงมันนอนด้วยไม่คุยกันคืนยนยี้ลูกผมแม่ผมลำคานไม่หลับเลยแต่ความจริงเป็นเรื่องผิดปกติอีกอย่างหนึง่ง คือท่านอย่างกรมเสริม่ท่านเป็นคนที่มีจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตอยู่ในอารมณ์สงบอยู่เสมอไอ้การเยะตึงตังของความให้ท่านไม่หลับก็ไม่เคยปรากฏการท่านหลับง่ายคนหลับง่ายที่หมายความว่าเวลาที่จะหลับจริงๆจิตไม่ฟุ้งซ่านถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่หลับแต่คืนนั้นท่านบอกว่าพันจ่าเอกคนนั้น คุยกับผู้หญิงจอาท่านท่านนอนไม่หลับมันไม่ใช่แล้วเหตปกติและคนขั้นพัญจากับคนขั้นในผลถ้าด้ผลไปนอนอย่างนั้นพันจาจะคุยให้ท่านในผลลำคันมันก็เป็นไปไม่ได้เหตุผลไม่พอแล้วเธอก็นอนในห้องแถวข้างล่างเสี่งยงใครออกไปถ้าคุยแบบนั้นจะต้องตะโกนกันเต็มเสียงจึงจะได้ยิงขึ้นมา อันนี้มันมีเรื่องว่าผมก็คิดว่าท่านคงได้ยินเสียงผมกับทาวฟ้าคุยกันแต่เสียงมันรอดมาได้ยังไงเพราะว่าพูดเบาที่สุดก็เลยลองเพิ่มเป็นการเปลื่อความสงสัยก็เลยเรียกพันจ่าคนนั้นขึ้นมาก็าถามว่าคนก่อคุณพันจ่าคุณต้ น, นำลำร้อนเดือดี่อยังเธอก็รายงานว่กากำลังต้องครับยังไม่เด้ ยังไม่เดือดก็เลยบอกเธอบ่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่ต้องรีบนะต้มตามสมบายเดือดเมื่อไรก็ขึ้นมาเหมือนนั้นได้วความจริงผมเป็นคนไม่ติดํำร้อนการบโติตรและผมชอบน้ำเย็นแต่ว่าถ้าน้ำเย็นที่สุกแล้วนี่ก็จะชอบมากไม่นปราศจากโรคเต้อน้ำชานี่ผมไม่ฉันเลยถ้าเห็นว่าผมไม่ฉันน้ำชากับใครเลย ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเมื่อบทใหม่ๆผมก็ชอบน้ำชากับเขาเหมือนกันต่อมาเป็นนักเทศไปไหนก็ต้องหิ้วกระติกน้ำชาไปด้วยก็เลยมาคิดในใจว่าเราจะเทศแนะนำให้ญาติโยมเรื่องจากกิเลศ <c oughs> แต่เราเองก็งหิ้วกิเลสไปด้วย <c oughs> เลยตัดสินใจวันนั้นวันเลิ ก, กทันที น้ำชาหรือไม่ชาชาวบ้านเขาไม่กินน้ำชาเขาก็ไม่ตายเอ้เราไม่กินน้ำชามันจะตายก็ให้รู้ไปก็เลยเลิกเลิกได้ขาดเลิกไม่กินมันเลยใครเขาเลี้ยงที่ไหนก็ไม่ยอมกินก็ล <c oughs> งความว่าเสวยแต่น้ำกินแต่น้ำน้ำเย็นธรรมดาธรรมดาเ <c oughs> มื่อเรียกเธอเข้ามาแล้วเธอกลับไปก็ถามท่านยายสมบอกว่า ผู้ชายที่เสียงเมื่อคืนเนี่ยเสียงเมื่อคืนนี้ไหมได้กระบอกไม่เหมือนแื่อเมื่อคืนนี่เสียงใหญ่ครับไอ้เจ้านี่มาเสียงเล็กก็เลยบอกท่านสราบว่าความจริงเมื่อคืนน่ตมา ค, นนาคุยกับเทวดาองค์หนึ่งท่านมาคุยให้ฟังเรน้ำมันเทนวดาองค์นั้นท่านเสียงใหญ่ แล้วก็ต่อมาก็มาคุยกับผู้หญิงผู้ผู้หญิงนี่นก็เป็นนางฟ้าเสียงเล็กเสียงฟังเพราะเพราะถามถ้าปีงานใช่ไหมท่านก็บอกว่าใช่ท่าต้องขอไปกับวัลนี้มันอย า, อายยไอเกิดไอคัดคอมาจ้ะก็เลยเล่าความเป็นมาท่านฟัง เ, เรื่องการโสใสัยว่าพันจ่าองนั้นคุยกับผู้หญิงก็ยุติไป แล้ต่อมาผมก็เดินทางไปจังหวัดชุมพรสองวันแรกไม่ได้นึกถึงเรื่องน้ำมันเลยลืมจริงๆเอานาเทวานุภาพเทวานุภาพท่านมีอำนาจกว่าเราจริงๆยังไ้ใครที่ว่าเทวดาไม่มีเป็นเรื่องของท่านแต่ผมกล้ายืนยันว่าเทวดามีแน่ เขาก็คงก็ชงเทวดาท่านเทวดาดานางฟ้า <c oughs> <c oughs> ก็ลงความถึงวันที่สามวันนั้นก็คนมากก็ความจริงก็คนมากตามโบติหมู่บ้านนั้นมีคนไม่มากนะไ ม, ไม่ไม่กี่หลังเป็นบ้านเล็กๆใ <c> น <oughs> เมื่อเธอมีศรัทธาผมก็ไปเยี่ยมเธอทุกปีนี่พอศสองพันหร้อยยี่เจ็ดผมเว้นมาสามปีแล้วไปไม่ไหว โรคภยัยวนไข้เจ็บเบ็ดเป็นมากโมก็แก่รวยมากมันไปไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องระ ง, งับถ้าไปได้ทำเป็นหมอเป็นทุกข์มากขึ้นก็หมอต้องเราสายผมแต่ผมเองก็กระโดกกระเดกกระโดกกระเดกไม่ค่อยจะหยุดนีห่หมอก็คงจะลำคานนะเปล่าก็ไม่ทราบไอ้รักษาคนป่วยประเภทไม่หยุดี่หมอรักษายากผมก็รู้ตัวมันก็หยุดไม่ไหว เป็นวันที่สามฉันเข้าเชาวแล้วก็นึกขึ้นมาได้บอกเออคนที่นั่งที่นี่ทั้ทงหมดใครเคยไปมริดบ้างมริดเป็นประเทศมอญเก่าเวลานี้เป็นของพมา่าก็มีกระเหลี่ยงคนหนึ่งเธอมาอยู่นานจนถ้าเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเธ อ, อบอกว่าเธอไปทุกปีถามว่าไปทไําไมเธอบอกไปซื้อควายมาขาย ควายที่มาฤิถูกได้มาขายในประเทศไทยมันก็แพงหน่อยเป็นของธรรมดาเขาต้องเดินป่าทั้งหลายวันถามว่าไปที่ไหนเคยดินข่าวไหมวันหน้องน้ําหน้องหนึ่งที่เทวดาท่านบอกตอนนั้นเมื่อกี้นี่ผมไม่ได้บอกละเอียดนะเมืวันเนี่ว่าน้องน้ํำน้องหนึ่งมันมีเวลานี้แทนที่มีน้ํามันเป็นน้ํามันทั้งหมดขึ้นมาเต็มนองเป็นน้องใหญ่มีไหม เธอก็บอกมีครับเท้ามีที่ไหนห่างจากเคพระเทศไทยเท่าไหร่เธอก็บอกว่าห่างจากเคพระทไทยไปเดินเท่าไหร่ไม่ทราบผมกละว่าเวลามันประมาณรักสามสิบกิโลแล้วาการไปลาบากก็อยากจะไปดู <c oughs> เธอบอกไปได้ครับพอไปอยังไงพม่ามันช่วยคอชั่นตาย เธอก็บอกว่าพระม่าไม่เชื่อยเพราะที่นั่นเป็นที่กเรอิสระอยู่กเรืออิสระคุมแล้วก็ตั้งฐานยล้อมรอบเบอกล็ดบ่อน้ํามันเชนหนองน้ำนมันแล้วก็ตักน้ํามันนขึ้นไม่ใช้แต่เกียงโอ้โหเขาแน่นอนจริงๆก็รำความว่าที่เทวดาท่านบอกก็เป็นความจริงนี่จริงจุดหนึ่งผมก็ต้องไปสูตรแบบนี้เป็นเป็นลักษณะของผม และในปีนั้นก็บร อ, อกาสไปจังหวัดภูเก็ตคือพันเอกแพทย์หญิงวีวันคำนวณกิจบ้านอยู่ภูเก็ตแต่ที่ตรงนั้นอาจจะเป็นบ้านที่ปลูกใหม่ของเธอเธอก็ชวนไปเยี่ยมจังหวัดภูเก็ต <c oughs> พอไปถึงจังหวัดภูเก็ตบ้านอยู่ชายทะเลสบายมากนั้นไปกันเยอะ ตอนกางวันวันหนึ่งผมเอาเกาอี้ผ้าใบไปนอนอยู่โคนต้นมะพร้าวชายทะเลความจริงก็อยู่ในบริเวณบ้านนั้นเป็นความสุขมากอากาศดีมากเจ้าของบ้านก็ดีแต่การไปแบบนี้ผมก็สงสารเจ้าของบ้านไปด้วย ก, กันมากแต่ภารกิจของเจ้าของบ้านต้องรับเลี้ยงเราทุกอย่างต้องมีความลําบากทุกอย่าง อยากจะไปอีกก็เกรงใจเจ้าของบ้านความจริงการไปได้มีประโยชน์มากไอ้นอนนอนอยู่ก็มีความรู้สึกว่าในเขตจังหวัดภูเก็ตมันมีของที่มีค่าสูงมากแต่ว่าวันนั้นก็ไม่ได้คำนึงว่ามีอะไรมากนัก ก็ตอนเย็นตอหลังจากนั้นก็เขาก็พาไปเที่ยวไปที่ไหนที่ไหนผลจะไม่พันนาก็รวมความว่าไปเที่ยวก็รอบกาะภูก็ตไปทุกจุดที่มันมีความสําคัญตอนเย็นกลับมาวันหนึ่งยังไม่ทันจะถึงแม่ใกล้คําทุกคนก็แวะรับทาอาหารที่ร้านค้าร้านค้าก็มีเปสองจุดเจ้าของเดียวกัน ข้างในมีแอร์แล้วกมม็มีมีมีห้องกระจกหมายความมีมีหน้าต่างกระจกอีกหลังหนึ่งชัม่มงจากไปอาคารยาวไวเลี่ยงพิเศษเขาก็ไปรับธ า, าหงได้หมดพกก็อยู่ขนเราพกก็เดินไอ้ที่เขาเรียกเดิดนจงกรมจงกรมก็แปลว่าเดินแลเดินไปเดินมาตามแบบฉบับของผมทําให้จิตเป็นสุข ก็จะรับทานอาหารก็เสร็จก็นานขณะที่เดินอยู่คนเดียวก็ปรากฏมีเพื่อนมาร่วมการเดินแต่ไม่จะเดินกองการกรุศลแบบเดียวนี้นะเดินจิตเป็นกุศลแต่ว่าไม่ได้เดินบำบำเพ็ญกุศลแบบสตางไปจ่าย <c oughs> ถ้าคนเดียวไม่ได้ จ, จ่ายให้ใครไม่มีสตางจะจ่ายด้วยผมเป็นคนมีสตางตีกระเป๋าไม่มากกับเขา ก็มองค ว, าว้าวเดินไปเดินมาท่านก็มีคนมาช่วยเดินรูปร่างหน้าตาสวยมองประเีแรกก็ทราบว่าคนนี้เป็นเทวดาชันจาตุภูมาราชก็คิดในใจว่าเราพบสหายเก่าเขาแล้วหลังจากนั้นก็คุยกันก็ถามว่าไอเา้เกาะภูเก็ตเนี่ยเดิมทีมันชื่อว่าอะไรท่านบอกเดิมทีก็เรียกโ บ, บกิต ถามว่าบูคิดมันหมายความอะไรถ้าบอกบูคิดหมายความว่าภูเขาคือเป็นเกาะที่มีภูเขามากแล้วถามถ้าบอกว่าหลังจากนั้นเขาเรียกว่าอะไรอีกเธอก็เลยบอกเรียกว่าปาตลีบตรก็ถามว่าทําไมชื่อไม่แขกไอปาตลีบทไม่ชื่อของชาวอินเดียเธอก็บอกแขกชาวเมืองปาตลีบทันมาขึ้นที่นี่ มาเรือแล้วมาขึ้นที่นี่มาพักอยู่มากต่อมาก็กระจายไปนะครศรีธรรมราชแล้วขึ้นไปเหนือบ้างใต้บางใช่นามว่าป่าเมืองปาตรีบุตรสมัยโน้นแล้วต่อมาต่อมาคนไทยเรยียกชื่อว่าภูกเก็ตเ <c oughs> มื่อเดินไปเดิมาก็ถามท่านว่าไอในทะเลภูกเก็ตเมื่อตอนกลางวันมันสงสัย นอนอยู่ที่โคนต้นมะพร้าวแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันมีแร่ธาต่มีความสาคัญมันมีอยู่จริงไหมท่านบอกว่าความรู้สึกของท่านถูกมันมีจริงแร่นี่ท่าบอกมีน้ำภาพสูงกว่าแร่อย่เรนิมเออนุำภาพมันสูงกว่ามากถ้าใช้แหววุธรบก็จะมีความสาคัญกว่า โครงความรังสีมันแรงแรงกว่ายูเรเนียมเยอะอะไรกันถ้าท่านบอกแร่จํานวนนี้มันมีมากมันตั้งศูนย์อยู่ตรงนี้ท่านก็ชี้ที่เพล่พผืนแผ่นดินที่บริษัทเดเคยอะไรก็ไม่ทราบเลยที่เขาขุดแร่กันอยู่บริเวณตั้งไว้ปลายศูนย์ข้างนอกหางหางมันหางสายไปอยู่ตรงนี้ แล้วก็ถ้าทำการกุดเรื่อยๆเข้าไปมันจะเข้าไปในวูเขาพอดูจะเข้าเขขเขามันจะเริ่มเริ่มเข้าถึงแท่งใหญ่ถ้าลึกขึ้นไปเท่าไหร่จะพบแท่งโตแท่งใหญ่มีมีปริมาณสูงมากแล้วถ้าจะคุยต่อไปพวกแรกประเภทนี้ถ้าเวลามันหมดสภาพมันตายแล้วถ้ามันตายแล้วมันมีจะมีสภาพเป็นเพชร อยกเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงก็หมายความ เ, เป็นเพชรนั่นเองแต่เป็นของมีค่าสูงก็รับฟังท่านเมื่อคุยกับท่านแล้วก็ถามต่อไปบอกนอกจากจะเป็นแร่ที่มีความสําคัญมากนี่แล้วมีอะไรบ้างไหมท่านบอกก็มีอยู่เยอะมันก็มีทั้งทองมีทั้งอะไรตไรเสร็จมีเยอะแยะการอธิบายฟังการอธิบายพร้อมกับเห็นภาพเสร็จ ก็รับฟังทำไมต่อมาก็กลับออกท่านพูดต่อไปว่าจลแรกประเภทนี้มันต่างกับเจลยูเรเนียมอยู่อย่างหนึ่งเจลยูเรเนียมถ้าใช้ในทางสันติคือเอามารักษาโรคมันจะมีความร้อนสูงท <c oughs> ี่เอามาเผาโรคมะเร็งกันแต่ว่าถ้าแรลประเภทนี้ถ้ามาใช้ในทางสันติคือในทางแพทย์ มันจะมีความเย็นแทนที่มันจะร้อนมันจะกลายเป็นความเย็นไปก็สามารถาาารักษาลูกได้เหมือนกันก็รับฟังของท่านมาอย่างนั้นต่อมาเมื่อกลับมาถึงที่พักก็มีโอกาสได้นอนเล่นคนเดียวคนเดียวเวลานอนเนี่ยเขาให้นอนคนเดียวไม่ไม่เรียกว่าไม่ได้นอนกับใครแคใช้ใจสจบายก็มี มีความรู้สึกเห็นแรกอีกประเภทหนึ่งมันมีความอยู่ลึกปนกับรแร่ดีบบุกดีบุกแต่แร่ดิบุกก็มันเป็นผิวเจ้าแร่ ป, ประเภทนี้มันลึกแต่เวลานี้การ ด, ดูดเขมรดาคนทั้งหลายที่ ด, ดูแรกไอ้แต่กรผิวผิวเขามันไม่ติดขึ้นมาแล้ว ไอ้ต่กรที่ติดมาจะเป็นของมีค่าสูงมากแข็งใช้ประโยชน์เสียเสียกากาศทนการเสียเสีได้ดีมากแต่เป็นของที่มีราคาสูงแต่คนไทยเราไม่ได้ใช้ปประโยชน์คือคนไทยยังไม่รู้จักต่อมาวันรุ่งขึ้นก็มีโอกาสได้ไปไปที่โรงถลุงแร่ ก็ไปชมการถลุงแรกของท่านคุยไปคุยมากับผู้จัดจการใหญ่ท่านก็นเล่าพฤติการให้ฟังว่าถามท่านว่านอกจากดีบกมีอะไรไหมท่าบอกมันมีอย่างคือสกัดเอาไปแล้วปรากฏว่ามันไม่หมดดีบกก็ไม่หมดมันก็ใช่ไม่ดีบกแต่มันจะเป็นตะกอนอ่อนไม่เป็นตะกอนแท้ จะทำตะโกหลอมตะโกอะไรมันก็ไม่ได้จ่านยังมันเกาะกดีบุกทาไม่หมดนั่นจะต้องไปซื้อแร่ ด, ดีบุจกจากจวัดกาญจนบุรีเอามาผสมแล้วก็สกัดถหลุงแล้วก็เป็นเป็นตะโกเชื่อ ม, ะอมระโกบัตรีท่านไล่ฟังเมื่อทาไปถ้ามาทาแล้วพเพื่อนนี้มีมากไหม มีมากก็ถามว่ามา่ก่อนนี่ฝรัง่งเขาไม่ต้องการเเต่นี่ฝรัง่งต้องการแล้วใช่ไหมท่านบอกว่าใช่ถ้าเวลานี้ปรากฏว่าท่านเหลือเท่าไหร่ถ้าส ก, กัดไม่หมดถ้าหลงไม่หมดติดแบบนั้นฝรัง่งเข้าไปต่างประเทศหมดมก็อดีมีรองผู้จัดการใหญ่ท่านเป็นอดีตทหารเหลือนายทหารเหลือทีเลยบอกว่านี่มลนพ่อทอนนี้จะรับชงข้างในเถอะ ความจริงท่านจะเล่าอะไรฟังอย่างหนึง่ง อ, อยู่มาด้วยกันท่านไม่กล้าพูดพอเข้าไปแล้วท่านก็บอกเราก็ได้แต่ดีบผมเท่านั้นแหละครับสิ่งที่มีความสําคัญจริงๆอย่างทีง่หลวงพ่อว่าเราไม่มีโอกาสเพราะเครื่องมือเราไม่มีเราทําไม่ได้เลยพลังเขาเอาไปหมดถ้าปลากระเพร า, ารประเภทนี้มาก่อนมันเหลือมากจริงๆไม่มีที่จะกองถ้าลงตลงแร่ต้องเอาไปให้ชาวบ้าน จะไปไหนก็ไปเถอะเชาวบ้านก็ไปถมที่มันสูงขึ้นแต่ทราบในการต่อมาว่าต่อมาเมื่อฝรั่งต้องการมากๆชาวบ้านก็เลยขุดที่คือคุดแรกน่ะแหละขายฝรั่งต่อไปอีกรวงความก็ได้รักพระทราบพิเศษความพิเศษและต่อมาเมื่อกลับมาพักผ่อนเมื่อเกิดความรู้สึกว่าเจอเทวดาองค์นั้นอีก เทวดาองค์นั้นท่านเล่ายหฟังว่าถ้าอยากจะทราบว่าที่ไหนมียูเรเนียมก็แต่ว่ายูเรเนียมตายแล้วเนี่ยมันจะกลายเปน็นตะ ก, กั่วสำหรับยูเรเนียมนะ <c oughs> ถ้ามันตายแล้วมันจะกลายเปน็นตะ ก, กั่วแล้วก็ตะกั่วนั้นจะมีท้าว่ามันตายไปเร็วๆต่กวัวนั้นจะมีสภาพใช้เปน็นตะ ก, กั่วสมบูรณ์แบบไม่ได้ ถ้ามันตายเป็นนานเป็นนานเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยมันจะไกลเป็นแตะขวดสมบุญแบบ <c oughs> เร่ยถามท่านบอกว่าถ้าอย่งางนั้นยูเรเนียมในประเทศไทยมันก็มีละสิท่านบอกก็มีที่ไหนมีแร่แตโขวดที่นั่นเคยมียูเรเนียมแล้วถ้าก็ย้อนมาว่าท่านเองเคยไปไปพิสว์ค้นพบแล้วใช่ไหมก็พบน่มันไม่ไว้ใจตัวเอง ก็เลยบอกาไอ้เรื่องสงสัยเนี่ยโยนโยนทิ้งไว้สมั่ิเชื่ออารมณ์จริงๆสมั่งเธอเลยสอนต่อไป <c oughs> ก็รงมความว่าเลยได้รับความรู้ท่านยูเรนเนียมและก็แร่พิเศษไอ้แร่แข็งๆประเภทนั้นก็ไม่ทราบชื่ออะไรอะไรมันอยู่ใต้ระดับดีบุกลงไปแต่ว่าจะอยู่ที่ไหนบ้างผมก็ไม่มีอมนาจบอก เดี๋ยวใครหาวิธีไปชี้ให้โคตรอีกแต่ความจริงผมไม่เคยเชี่ให้ใครโคตรหลังจากนั้นมาก็อีกวันหนึ่งก็ไปเที่ยวจะไปดูจะไปที่ปลายเกาะไปดูพระอาทิตย์ตกก็ไปเจอพวกเจ้าหน้าที่เจาะน้ำมันเขาเขาเจาะน้ำมันในอ่าวไทยถ้าเจาะมาก่อน เวลานันจอในมหาสมุทรอินเดียแต่ว่าเป็นทะเลเศรษฐกิจของไทยเพราะไกลเป็นแค่เก้าสิบกิโลเมตรก็เหลือเก้าสิบไมล์ทะเลเศรษฐกิจมันร้อยี่สิบไมล์คือห่างจากฝั่งไวร้อยยี่สิบไมล์เป็นของเรา <c oughs> ถ้าเกินไปกว่านั้นถือเป็นทะเลหลวงเขาก็าถามว่าหลวงพ่อครับเวลานี้พราจดน้ามันที่มหาสมุทรอินเดียในทะเลเศรษฐกิจ อยากจะทราบว่าน้ำมันจะมีไหมพอเขาถามผมก็เลยถามเขาบ้างว่าชาวเพาะบริษัทของคุณอันนี้อย่าถามนะครับบริษัทไหนเขไม่บอก <c oughs> ชาเพาะบริษัทของคุณที่เจาะพบแล้วสารวจพบแล้วในมในทะเล่เอ่าไทยคนคุณพบแล้วไม่น้อยกว่าสี่จุดใช่ไหม ก็บอกไม่พบครับก็เลยตอบเขาบว่าถ้าในอ่าวไทยคุณไม่พบในมาหาสมุทรอินเดียคุณก็ต้องไม่พบเขาถามมันเป็นเพราะอะไรก็บอกว่าเพราะคุณพูดไม่ตรงตามความเป็นจริงพอพูดเท่านี้ก็ปรากฏว่ามีวิทยุติด ต, ต่อเรียกเขมาเ้าเลยให้หลุนน้องสองคนวิ่งไปรับวิทยุ <c oughs> เดิมเที่ยวเขาอยู่ในกันสามคนต่อมาเมื่อรุ่น้องไม่อยู่เขายอมรับตามความเป็นจริงว่าในในอ่าวไทยนี่ก็พบแล้วไม่น้องก็่สี่จุดจริงๆแล้วเป็นจุดที่มีน้ามันเป็นปริมาณมากแก๊สตอนนั้นเราไม่พูดกันเพราะแก๊สเป็นขอดินเล็ในเมื่อที่ไหนมีน้ามันที่ไหนก็มีแก๊สถ้าเจาะไปไม่ลึกพอก็พบแก๊สก่อน จะไปลึกมากกับพนธ์มันเพราแก๊สนี่มีเป็นไอ้ละเหยข้นน้ำมันความร้อนมันสูงเข้าไปในั้นเผาข้นน้มันก็ละเหยมันก็พ่นกข้ามาติดจุกเรียกว่าไอ้ฝาข้างบนก็แล้วกันก็เป็นแก๊สอันนี้เป็นปริมาณมากแล้วน้ำมันในประเทศไทยจะมีความใสหรือมากกับคาต่างประเทศก็รวมความว่า เป็นอนาได้เรื่องในราวน้ำมันก็เกิดเกิด ค, ความดีใจสบายใจว่าสิ่งที่เราถาวายพระพรไปกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมันไม่ผิดแน่ของจริงก็มีอยู่แล้วส า, าการเหลวในการต่อมาคงก็ติดต่อกับคนอีกพวกหนึ่งผมจะไม่บอกพวกไหนว่าถ้าได้การเหลวหรือนะ้ำมันที่มันมีพสมแก๊สพะฉันมีความรู้สึกว่ามันใสจัด มีความเบาสูงใสามากไปละไอละเคยอยากจะทราบกับความรู้สึกอย่างยั้นถูกไหมถ้าได้มาเลยเขาให้ส่งมาให้ดูด้วยแล้วคนกลุ่มนั้นนะผขไม่เขไม่พอใจที่คนกลุ่มเมื่อกี้ต่อม า, าก็ส่งมาให้ดูมันตรงกับความเป็นจริงที่มีความรู้สึกแล้วต่อมาได้ไปดูที่มาบตาพุทธที่จังหวัดระยองและชลบุรี ที่นี่ก็ปรากฏว่าเป็นจุดตรงกันอรบรรดาเพื่อนบิสุ์สนเนตนญาติโยมทุกท่นยานพัานญาตบอกเวลาเตือนวารดที่สองก็ขอลาก่อนเอาไว้คุยกันใหม่ในตอนที่สี่ข้อความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์นมงคลสมบูรณ์ผลผลจมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี